3. มคำพหตะกะวักหมวดว่าด้วยการเท้าเสเอศิกยขาบทที่หนึ่งพระพากฎเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุ์ชัพพักีเดินเท้าเสเอไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ 1. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินเท้าเสเอไปในละแวกบ้านเรื่องพิศุพธีจบ สิษยาบทวิพังพิกษุไม่พึงเดินเท้าะเอวไปในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินเท้าะเออข้างเดียวหรือสองข้างไปในละแวกบ้านต้องอบัติทุกกฏอนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นึ่พิษุไม่จงใจ2องพิษุไม่มีสติ3ามพิษุผู้ไม่รู้ 4. ี่พิษุผู้เป็นไข้5พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิษุวิกลจริต เจ็ดพิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่หนึ่งจบ